นำมัสการทุกทุกองค์ครับเจริญพรญาติโยมท้งหลายนั่งสบายสบายเนาะไม่ต้องพนมมือดอกเมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเนาะ ม, มีองค์ทำสามอย่าง สัมมาวยมายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวยมายามะเป็นการชี้เป้าชี้เป้าหมายว่าที่เราภาวนานั้นต้องมุ่งไปสู่การลดละกิเลสละอกุศลเจริญกุศลเครื่องมือในการปฏิบัติมีสองตัวที่จะขัดเกลาจิตใจของเราตัวหนึ่งคือสัมมาสติ ตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องว่าเราจะต้องลดละ ก, กิเลสเจริญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วเราจเจริญสติจเจริญสมาธิที่ถูกต้องในสุดท้ายสมาธิฏฐิที่เป็นโล ก, กุตตะละก็จะเกิดขึ้นตัวปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นตัวสัมมาทิธิที่เป็นโลกุตตะละเนี่ย ในเวลาที่เกิดเนี่ยเกิดชั่วขณะจิตเดียวแว บ, บเดียวเท่านั้นไม่เกิดยาวแต่ที่เราลงมือปฏิบัติรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญามีสติมีสมาธิอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยเป็นการเตรียมตัวพัฒนาจิตใจเพื่อวันหนึ่งจะเข้าถึงตัวอริยมรร เข้าถึงตัวสมาทิฐิที่แท้จริงเมื่อวานหลวงพ่อเน้นที่ตัวการเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่เรียกว่าสมาสติคือสติปัฏฐานไม่ใช่สติอย่างโลกโลกสติอย่างโลกโลกก็มีเยอะแยะไปอย่างเราเห็นพระเราเริ่อมใสศรัทธาอยากทําบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้ ใจิตใจขณะนั้นเป็นกุศลใจิตใจที่เป็นกุศลต้องมีสติแต่สติแบบนั้นไม่ทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้สติที่จะเป็นกําลังแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นต้องเป็นสติปัฏฐานคือเป็นสติที่เรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจนะเป็นสติที่รู้กายรู้เวทนารู้จิตที่เป็นกุศลอกนะุศลนะรู้รูรปธรรมนามธรรม นะรู้ธรรมะที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลนะรู้กระบวนการทำงานของจิตใจที่ปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมาหรือกระบวนการแห่งการดับทุกข์นะั้นอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่ง่ายๆก็าากายเบทนาจิตนี่แหละใหม้มีสตนะิรู้เนืองๆรู้บ่อยๆนานๆรู้ทีหนึ่งใช้ไม่ได้นะ หลายวันรู้ทีหนึ่งใช้ไม่ได้อย่างคนในโลกเนี่ยมันไม่มีสติหรอกหลงตลอดเวลาขาดสติตลอดเวลาไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพราะฉะนั้นเขาเลยห่างไกลจากมรรคผลนิพพานถึงจะไปทำบุญนะทอดผ้าป่าทอดกระถินอะไรแล้วตั้งใจอธิษฐานขอให้ได้มรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยนิพพานขอเอาไม่ได้ ศีล ส, สมาธิปัญญาถึงพร้อมแล้วถึงจะมีนิพพานได้อยากให้มีปัญญาถึงพร้อมต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติลดละกิเลสเจริญกุศ ล, ลต้องรู้ว่าเครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติอย่างเวลาเรานั่งอยู่อย่างนี้แทนที่จะนั่งให้จิตใจเลื่อนลอยส่งเดชไปที่อื่นก็นั่งเรารู้สึกอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเราหายใจ หายใจมาตั้งแต่เกิดก็หายใจทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปนี้หายใจแบบมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่ายืนเดินนั่งนอนก็ยืนด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยความรู้สึกตัวนอนด้วยความรู้สึกตัวนะเดินด้วยความรู้สึกตัวอย่างบางคนเดินจงกรมวันหนึ่งทั้งหลายชั่วโมงเดินแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเดินแล้วก็นับเวลาว่าจะเดินนานเท่าไหร่ได้ตามที่ตั้งใจก็ดีใจละ เดินจงกรมก็ต้องเดินด้วยความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้คนดูเนี่ยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้เท่านั้นนะหรือจะมารู้ความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายก็ไดนะ้ร่างกายเราเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆให้เรามีสติรู้ลงไปนะใจเราเป็นคนรู้นะความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายเป็นของถูกรู้นะอย่างนี้ก็ได้ หรือเราจะดูเวทนาทางใจนะอันนี้ก็ดูง่ายเวทนาทางใจอย่างใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็ก เ, เยกฉยเฉยให้เราก็มีสติคอยรู้ใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยเฉยก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือเราเป็นคนขี่โลภนะเราก็ดูไปใจเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภมันสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูตัวโกรธเป็นตัวหลักนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะพอเรารู้ว่ามีโทสะโทสะมันจะดับห ม, มันเองเราไม่ต้องไปดับมันนะเราก็จะเห็นจิตมีโทสะบ้างสักพักหนึ่งจิตก็ไม่มีโทสะจิตที่มีโทสะก็ถูกรู้จิตที่ไม่มีโทสะก็ถูกรู้เนี่ยมันมีตัวจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวผู้รู้ผู้ดนะูแล้วก็ สติจ ะ, ะระลึกรู้ลงในกายก็ เ, เห็นว่าร่างกายถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสติะระลึกลงในเวทนาก็ เ, าเห็นเวทนาทางกายทางใจถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสตินะะระลึกรู้ลงไปจิตเป็นกุศ ล, ละระลึกรู้กุศ ล, ละระลึกรู้อกุศลที่กําลังปรากฏอยูนะ่กุศลนัลกุศลก็เป็นของถูกรู้ เนี่ยราจะต้องฝึกอย่างนี้เร้่อยๆดูกายกายก็เป็นของถูกรู้ดูเวทนาเวทนาเป็นของถูกรู้ดูจิตจิตเป็นของถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตจิตที่มีคุณภาพเป็นคนรู้จิตที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นของสำคัญมากยากมากที่เราจะพัฒนามันขึ้นมา แต่ถ้าเราสามารถพัฒนาจิตดวงที่มีคุณภาพคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยไม่ยากเลยที่จะเจริญปัญญาเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้แต่ถ้าเราไม่มีจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมีคุณภาพที่จะเดินปัญญาได้ให้เป็นปฏิบัติให้เป็นให้ตายนะมันก็ตายเปล่าๆ เ, เดินจงกลมหามรุ่งหามค่ำได้แต่ความทุกข์ทรมานนั่งสมาธิ วันละสิบชั่วโมงก็งไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แต่ความทุกข์ทรมานนั้นตัวสําคัญก็คือจิตเราจะต้องถูกต้องเรื่องจิตที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียนอยู่ในเรื่องของจิตสิกขาถ้าเราเรียนจิตสิกขาเรียนจิตใจของตนเองแล้วสิ่งที่เราได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องเพรานั้นวันนี้จะเน้นเรื่องสมาธินะเราเป็นภาคที่เราจะต้องลงมือทําจริงๆแล้วอย่างพระ ไปบวชที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหมุนเวียนกันไปบวชส่วนใหญ่ก็คือลูกศิษย์ค า, ารวสนี่แหละเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็ว่าดีแล้วนะก็ขอไปบวชให้บวชพอไปบวชเนี่ยต้องมาปรับเรื่องของสมาธิกันใหม่สมาธิที่โยมมีอยู่ น, ะนี่อ่อนแอมากเลยนะแล้วไปบวช สมาธิอยู่ๆมันก็ไม่ดีต้องฝึกกันใหม่ใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอนะไรนในการที่จะปรับฐานของสมาธิให้ถูกต้องใช้เวลาตัวนี้แต่พอสมาธิถูกต้องแล้วเนะี่ยมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องคือตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เป็นกลางไม่หลงเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ เันตัวสมาธินี่จะเน้นมาตรงที่ความตั้งมั่นแล้วก็ความเป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวแต่ไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้เพราะฉันไม่ใช่เรื่องง่ายที่สมาธิอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเมื่อสาสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อมาภาวนากับครูบาอาจารย์ทางอีสานนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ทางเหนือก็ไปหาครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็มี ครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็คนอีสานนี่แหละแต่ท่านขึ้นไปอยู่ทางเชียงใหม่ครูบาอาจารย์เกือบทั้งหมดคืออยู่ทางอีสานนี่หลวงพ่อมาภาวนาจนเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นละละช่วยตัวเองได้ละต่อไปนี้ไม่ต้องมาพึ่งท่านก็สามารถเดินไปด้วยตัวเองครูบาอาจารย์รับรองอย่างนี้ ครูบาอาจารย์รับรองว่าหลวงพ่อภาวนาถูกแล้วหลวงพ่อเสวียนออกไปดูสำนักปฏิบัติต่ตางๆเราไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้ว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเข้าภาวนากันยังไงก็พบว่าหลายๆแห่งนะมีครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ภาวนาเป็นแต่ลูกศิษย์ไม่เป็นทําไมลูกศิษย์ไม่เป็นหรือบางทีอาจารย์ก็ไม่เป็นนะไม่ใช่อาจารย์ก็เป็นหมดนะ เป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่จิตเนี่ยมีคุณภาพพอหรือไม่พอนะมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อมาพานาอยู่วัดริมฝั่งโขงฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นภาวนากลางคืนเนี่ยโยมไปนั่งในโบสถ์นะเต็มโบสถ์เลยโบสถ์ไม่พอนั่งมานั่งกันอยู่รอบรอบโบสถ์นะแยะแยะไปหมดเลยบางคนก็เดินจงกรมบางคนก็นั่งสมาธิหลวงพ่อก็เดินเข้าไปดูจนะไปหาที่นั่งกับเขาบ้างแหละ คือเราเคยแต่ชอบนั่งคนเดียวนะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าภาวนานี้พอไปไปวัดอื่นๆเนี่ยเราเค่อยต้องไปดูว่าเขาทํายังไงเดินเข้าไปชะงงอกดูในโบสถ์คนเต็มเลยข้างนอกโบสถ์คนก็เต็มเลยทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมในใจมันก็อุทานขึ้นมานะบอกวัดนี้ไม่มีใครปฏิบัติเลยเหรอะใจมันอุทานอย่างนี้นะวัดนี้ไม่มีใครปฏิบัติเลยเหรอ อันนี้ไม่ได้พูดให้คนอื่นได้ยินนะเดี๋ยวเขาตืบเอาตอนเช้านะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์พอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็พูดเลยวัด น, นี้เขาไม่ปฏิบัติกั่แล้วละ่ะหลวงพ่อฟังนะอายกระจเลยนะเราแอบไปดูคนอื่นเราเห็นว่าคนอื่นเนี่ยที่นั่งสมาธิที่เดนจงกรมไม่ได้ปฏิบตัตนะิเพราะอะไร นั่งสมาธิก็ไปทำจิตให้ว่างๆบ้างไปทำจิตให้แข็งๆเคร่งเครียดบ้างนะหรือไปแต่งจิตให้สว่างนะไม่มีขอบเขตบางทีก็หลงลืมจิตใจนะขาดสติลืมตัวเองไปนั่งแล้วนั่งหลับในนะนั่งหลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัตินั่งไม่ได้รู้เนือ้อรู้ตัวไม่มีสติไม่มีใจที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเลย เนี่ยพอไปดูนะคนปฏิบัติตั้งเยอะตั้งแยะเป็นร้อยๆหาคนปฏิบัติถูกสักคนหนึ่งยังหายากเลยตอนที่หลวงพ่อไปเที่ยวดูดูเขาน่ะก็นึกตัวนี้เป็นนิสัยไม่ดีนะห้ามเอาอย่างไปดูถูกคนอื่นเขาอะว่ากูเก่งกวานะ่าเนี่ยอันนี้เป็นกิเลสนะกิเลสชื่อว่ามันะห้ามเอาอย่างนะ พอตอนเช้าครูบาอาจารย์ท่านพูดหลวงปู่ท่านพู ด, ổ, พดบอกวัดนี้ไม่มีใครเข้าปฏิบัติแล้วหลวงพ่อน่าอายมากเลยคําว่าไม่มีใครปฏิบัติก็คือหลวงพ่อก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันในตอนที่ไปดูชาวบ้านเขานะ่ะนะแล้วก็ส่งจีรอกข้างนอกไปดูจิตคนอื่นเขายังน้อนอย่างนี้นะคนเป็นร้อยๆอยนะนี่ก็คือไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้ที่นั่งกันนานา น, า น, นั่งกันนิ่งๆอะไรบางทีนั่งผิด มันเป็นมิจฉาสมาธิสมบนะูไปบางที่บางที่เขาไม่ทำสมาธิเลยเขานั่งคิดพิจารณาร่างกายคิดอย่างเดียวเลยนะใจนะฟุ้งซ่านคิดไปด้วยความฟุ้งซ่านการใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิเป็นฐานเนี่ยจิตจกฟุ้งซ่านมันจะเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงนะสมาธิจาเป็นมากเพราะฉะั้นเราไปนั่งคิดเรื่องไตรลักษ์เนี่ยยังไงก็ไม่เป็นวิปัสสนา คิดฟุง้งฟุงฟุง้งแปมต้องมีสมาธิเป็นฐานอยู่ถึงจะใช้ได้บางที่ก็ไม่ไม่ทำสมาธินะในใช้กาหนดเนาะเพ่งลงไปที่ท้องเพ่งเพงแล้วคิดว่าทําวิปัสสนาอยู่นะเพ่งไปมากๆในสุก ด, ดก็เกิดนิมิตบ้างเกิดอาการประหลาดประหลาดนะเคร่งเครียดเป็นบ้าเป็ น, ปนอะไกันเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้เพราะว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง ไม่มีสมาธิแล้วก็ไปเจริญสติเจริญปัญญาเลยไปดูท้องเข้าไปเนี่ยจิตมันไหลลงไปเพ่งที่ท้องเวนะลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตมันไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือบางสำนักก็ขยับมือนะครูบาอาจารย์ท่านทำได้ท่านทำถูกด้วยลูกศิษย์มาขยับตามท่านพวกหนึ่งไปเพ่งใส่มือเอาจิตไปจับไว้ในมือนะอีกพวกหนึง่งนั่งคิดว่าท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนนะนี่ก็ฟงุงซ่าน อีกพวกหนึงน่งหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยออกไปนอกวัดเลยเนี่ยไม่มีสมาธิในเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะที่เราจะต้องเรียนรู้วันนี้จะเน้นเรื่องสมาธิละถ้าพวกเราทําตัวนี้ได้จิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นนะ ถ้าปัญญาเราแก่รอบแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นไม่งั้นอริยมรรคไม่เกิดสมาธิมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิกลุ่มหนึ่งเรีย ก, ก, กว่าสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำกันอยู่เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติ จิตเป็นอกุศลนะจิตไม่ได้เป็นกุศลจริง อ, อย่างภาวนาด้วยความโลภใจเป็นโลภปฏิบัติอย่างนั่งหายใจไปก็นั่งโลภไปอยากให้จิตสว่างอยากให้จิตสงบอยากเข้าฌานอยากมีตาทิพหูทิพะเนี่ยนี่เต็มไปด้วยความอยากอันนี้เป็นมิจฉาสมาธินะจิตอย่างนี้ไม่มีสติกำกับใช้ไม่ได้ สมาสมาธิต้องมีสติกำกับถ้าไม่อไรขาดสตินั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือบางทีเห็นกายเห็นใจแล้วถลํมลงไปจ้องอันนี้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสัมมาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิแต่สมมาสมาธิมีสองแบบ นี่เอาตัวมิจฉาสมาธิซะก่อนอย่างเวลาเรานั่งแล้วเขเคลิมงอกแงกงอกแงกนะหัวสั่นหัวครอนหรือนั่งน้ำลายยืดไปเลยนะีนั่นขาดสตนะิโมหะครอบงำนะํำแล้วอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิเราเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดานะจิตวิ่งออกไปข้างนอกไม่เห็นว่าจิตโลภนะอยากไปเห็นเทวดาจิตวิ่งไปดูเทวดาแนละ้วเราเมาไม่เห็นว่าจิตกําลังโลภ อ, อยู่ อันนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธนะิงั้นเวลาพวกเราทำสมาธิจะต้องทำด้วยความรู้สึกตัวอยาขาดสติกนะ็มีสติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมาเป็นเครื่องอยู่ของจิต น, ะนี่ในส่วนของมิจฉาสมาธินะคนไหนเคยทำอยู่เลิกซะอย่างถ้าปฏิบัติแล้วจิตแน่นรืดเลยนะเครียดไปหมดเลย อันนี้ทําผิดแล้วละ่ะอย่าทําเลยนะถ้าทําผิดแล้วขยันเนี่ยมันจะผิดมากเราะฉั้นะก่อนที่จะไปปฏิบัตินะเรียนรู้หลักให้แม่นซะก่อนแนละ้วปฏิบัติจะได้ไม่ผิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิมีสองส่วนนะมีสองชนิดนะอันแรกเลยสมาธิแยกเป็นสองข่ายค่ายหนึ่งมิจฉาสมาธนะิจิตมีอกุศลจิตไม่มีสติจริง ข่ายหนึ่งเป็นสมาสมาธิจิตเป็นกุศลมีสติกำกับอยู่ในตัวสมาสมาธินั้นมีสมาธิอยู่ด้วยกันสองชนิดนะก่อนที่เราจะพูดคำว่าสมาธิเราต้องเข้าใจสับคู่หนึ่งก่อนตัวหนึ่งคือจิตตัวหนึ่งคืออารมณนะ์คําว่าจิตแปลว่าอะไรจิตคือผู้รู้อารมณ์หรือจิตที่เป็นตัวรู้อารมณ์นั่นเองนะอารมณ์คืออะไร อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อารมณ์ตัวนี้ไม่เหมือนอารมณ์ในภาษาที่เราพูดกันนะว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอะไรเงี้ยคำว่าอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตคือผู้ไปรู้อารมณ์เข้าอะไรที่เรียกว่าอารมณ์บ้างสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นมีสี่อย่างหนึ่งเรื่องราวที่คิดอย่างเราคิดพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้เป็นความคิด อย่างนี้อารมณ์ที่ใช้ความคิดนะบางทีก็คิดแบบตั้งใจเช่นตั้งใจพุโทโธตั้งใจคิดบทส่วนมนบางทีมันก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนีงน้สเสปสสปาไปเรื่องราวที่คิดทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเนี่ยหมามันก็คิดเป็นนะแมวมันก็คิดเป็นการที่เราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ของอัศ จ, จรรย์อะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่ามันมีประโยชน์ในทางโลก อย่างเราจะทำมาหากินเราก็ต้องคิดนะนะความคิดอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัตนะิไม่ได้ใช้ทรรมวิปัสสนานะอารมณ์อันที่สองคือรูปธรรมรู้สึกไหมเรามีรูปธรรมอยู่เนี้ยบางทีเราก็ระลึกได้ลองพยักหน้าสิลองพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเนี้ยมันเคลื่อนไหวลองยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานหวา น, วานนะเหมือนคนมาบอกรักเราอย่างเงี้ยยิ้มหวานวานนะรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้ม นตัวรูปมันเป็นอารมณ์ที่จิตรู้อย่างขณะ น, นี้รูปเรานั่งอยู่รู้สึกไหมรูปมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เพราะงั้นตัวรูปนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งร่างกายเราเนี้ยเป็นรูปเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นนามธรรมเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายเช่นความสุข ความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความรอบความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่นะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนามธรรมนะสิ่งเหล่านี้มันถูกรู้ได้อย่างจิตเรามีสติขึ้นมานะก็มีจิตอีกดวหนึ่งรู้ว่าจิตตกี้มีสตนะิจิตเป็นคนรู้สิ่งที่ถูกรู้นะมีทั้งเรื่องราวที่คิด มีทั้งรูปธปรรมมีทั้งนามธรรมนะสามอย่างเนี้ที่พวกเรารู้รู้อยู่ทั้งวันนะจะรู้สลับไปสลับมาบางทีเราก็รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะบางทีรู้ร่างกายหายใจบางทีกวาดบ้านเห็นร่างกายกวาดบ้านบางทีกวาดบ้านอยู่นี้ไปคิดเรื่องอื่นไปรู้เรื่องราวที่คิดตรงที่รู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยจิตตกจากวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะ อารมณ์ที่จะใช้ทำมิปั ส, สนาได้คือรูปธรรมและนามธรรมที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ไม่ใช่อารมณ์เรื่องราวที่คิดคิ ด, คดเอานะความคิดไม่ใช่ของจริงกายนี่เป็นของจริงความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดแก่จิตใจเป็นของจริงที่เราจะเรียนรู้ของจริงอันนี้เขาเรียกว่าปรมตถธรรมมีความจริงจริงๆอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอันที่สี่พวกเรายังไม่มีหรอกนะ อารมณ์ที่สี่คือนิพพานอารมณ์นิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะอย่าเข้าใจว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งพระละหันตายแล้วไปเกิดในโลกพระนิพพานอันนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่คำสอยของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราจะใช้ทําวิปัสสนามันมีอารมณ์สอย่างเนี่ยแต่อารมณ์บัญญัติใช้ทําวิปัสสนาไม่ได้ เพราะว่าเป็นความเพ้อฝันรูปธรรมนามธรรมใช้ทำวิปัสสนาได้นิพพานไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนานิพพานใช้ทำสมถะทําไมไม่เอานิพพานมาทําวิปัสสนาเพราะนิพพานไม่มีเกิดมีดับร่างกายเรามีเกิดมีดับความรู้สึกของเรามีเกิดมีดับนิพพานไม่มีใจลักนิพพานมีลักษณะเดียวคือไม่มีเจ้าของไม่มีใครสั่งนิพพานได้ งั้นเราต้องรู้แล้ ว, ว่าต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องอารมณ์นะรูปนามในการเจริญปัญญาจิตเป็นคนไปรู้รูปจิตเป็นคนไปรู้นามนะนี้จิตจะเป็นคนรู้ได้ก็นะต้องฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิมีสองอันบอกแล้วอันที่หนึ่งเรียกว่าอารามณูปนิชานอารามณูปนิชานคือจิตนี้แหละเคลื่อนเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว จิตของเราเนี่ยวิ่งวุ่นไปตามมารมณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเรื่องราวที่คิดเนี่ยล้ว น, นแต่เป็นธรรมารมที่จิตวิ่งไปรู้วันๆนะจิตจะวิ่งพล่านไปทางทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่อรู้สึกไหมจิตเราก็วิ่งไปทางทวารต่างๆเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อ เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังไม่ได้มองหลวงพ่อแล้วแต่ตั้งใจฟังตาก็ยังลืมจ้องอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ใจไปจดจ่ออยู่กับการฟังฟังแล้วก็สลับไปคิดฟังแล้วก็คิดตอนที่ฟังเนี่ยเป็นจิตดวงหนึ่งนะตอนที่คิดเป็นจิตอีกดวงหนึ่งนะมันเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราร่อนเร่ไปในอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีอย่างเวลาเราดูโทรทัศนะ์นะดูทีวีนะ ือทีวีบางทีเราก็ดูด้วยตาเห็นรูปในจอนะที่เราก็ฟังเสียงทีเราก็ชิดถึงเรื่องราวที่เราไปดูมาว่ามันคืออะไรเนี่ยจิตจะทำงานสลับกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจะร้อนเร่ตลอดเวลาอันนี้คือจิตไม่มีสมาธิแบบที่สงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวนะจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะทำงานไปเรื่อยๆวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ จิตแบบนี้จะเน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้มีสมาธิแบบหยุดอยู่ในอารมณ์เดียวนะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉั้นเวลาที่เราเจริญวิปัสสนานะเราจะใช้สมาธิอีกแบบหนึ่งนะตรงนี้กําลังสอนสมาธิแบบที่หนึ่งที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิมีสองอัน อารมณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในอารมณ์เดียวอีกอันหนึ่งเรียกลักณคนู ป, ปนิชานจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านได้ส่วนอารมณูปนิชานจิตสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันพักผ่อ น, นถ้าไมใ่ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะวิ่งพลาน เดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดอะไรเงี้ยนะจิตที่วิ่งไปทางทวารทั้งหกเนะี่ยจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้านะจิตที่อยู่ในอารมณ์มันเดี่ยวนะีจะตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มันเดี่ยวนะมันมีเคล็ดลับในพระพิธรรมสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ เพราะเราจะต้องเอาความสุขเนี้ยมาใช้ประโยชนนะ์ขั้นแรกสุดเลยสํารวจใจของเราเองว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนและมีความสุขอารามณูปนิชานเนี้ยรู้เรื่องราวที่คิดได้นะรู้ว่าเรื่องราวที่คิดได้นะรู้นิพพานก็ได้ในอารมณ์สี่ชนิดเนี้ยอารามณูปนิชานทําได้ด้วยอารมณ์ทั้งสี่ชนิดนี้เลย แต่ลักขณูปนิชานที่จะดูไตรลักษ์เนี่ยใช้อารมณ์สองอย่างนะคือรู ป, ปรธรรมกับ น, นามธรรมานั้นอารมณ์สอย่างเนี่ยใช้ทําสมถะได้อารมณูปนิชานคือสมถะกรรมฐานลักขณูปนิชานเนี่ยใช้ทํามิปัสนากรรมฐานนั่จะดูแต่รูปนามขั้นแรกเราต้องดูตัวเองก่อนไม่ตามแบบคนอื่นนะดูตัวเอง ว่าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็เลือกอยู่กับอารมณ์มนนั้นอย่งหลวงพ่อรู้การหายใจนะธรรมานาปนานสติแล้วมีความสุขหลวงพ่อจะทำสมถะหลวงพ่อจะทํารมานาปานสะติมีอยู่คราวนะหลวงพ่อภาวนาผิดจิตมันไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยสว่างว่างสบายนะ ไปเจอหลวงตามหาบัวที่อุดอรบ้านตาดไปกราบเรียนท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเรารู้แล้วจิตมันไม่ถึงฐานท่านก็บอกว่าต้องเชื่อเรานะเราภาวนาเราปฏิบัติมันด้วยตัวเราเองอะไรใก็สู้บริกรรมไม่ได้คือท่านถนัดพุดโทโธ ท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็มานั่งข้างหลังท่านแหละ mm hmm. ก็พุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุทโธนะแทนที่จะสงบนะจิตเหมือนจะแตกเลยจิตลาคาญพุโทโธนะจิตไม่ชอบหลวงพ่อก็เฮ้จิตไม่เอาเนี่ยแล้วก็ดูตัวเองเราชอบอนาปนสติหลวงพ่อกลับมาหายใจเลยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจไปไม่กี่ครั้งนะจิตก็สงบแนละนะ้วเะฉะนั้นเราต้องเลือกของเราเองนะ ไม่เรียนแบบเพื่อนไม่เรียนแบบครูบาอาจารย์แต่เราต้องไปสำรวจตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงความตายแล้วมีความสุขอย่างบางคนชอบไปงานศพนะพอไปงานศพนะจิตใจสงบจิตใจร่มเย็น ไ, ได้สมาธินะ่ะชอบคิดถึงความตายบางคนชอบทำบุญนะชอบให้ทานใส่บาตรมาตลอดเลยทุกวันทุกวัน ตลอดพรษานอกพรรษาก็ใส่ไม่เคยละเว้นนะมีอะไรนิดนิดหน่อยๆก็ใส่มีข้าวปั้นเดียวก็ยังใส่นะเนี่ยพอเราใจเราคิดถึงทานที่เราสร้างมาอย่างดีแล้วใจมันมีความสุขขึ้นมาสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะสมาธิเกิดจากจิตใจมีความสุขบางท่านพิจรารณาผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะพิจารณาอย่างเนี้ยแล้วก็มีความสุขดูผม ผมมันไม่สวยไม่งามไม่สะอาดมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้อย่างผมเราจะงอกก็ห้ามมันไม่ได้อนะไรเงี้ยพิจารณาไปเรื่อยใจมันชอบพิจารณาอยู่ในร่างกายแบบนี้เรียกว่ากายยกะตาสติทำไปสมาธิก็เกิดถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เกิดหรอกกรรมฐานอะไรก็ได้นะบางคนชอบเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วสบายใจ ถ้าเดินจงกรมแล้วสบายใจเราก็เดินไปเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนรูนะ้เลือกอารมณ์ที่สบายใจนะเลือกอารมณ์ที่สบายใจบางคนชอบแผ่เมตตานะนั่งแผ่เมตตาไปเลสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะแผ่ไปเรืยใจมีความสุขพอมีความสุขสมาธิจะเกิดนะวัอารามณูปนิชานเนี่ยคือจิตที่เราจะสงบมีความสุข เอาไว้พักผ่อนเนี่ย wichtiger? เราต้องรู้จักเลือกทางใครทางมัน่นนะไม่ใช่เรียนแบบคนอื่นคนอื่นเขาพุทธโทแล้วมีความสุขเราพุทธโทแล้วไม่มีความสุขเราก็อย่าไปพุทธโธนะเราหายใจมีความสุขแล้วคนอื่นเขาเดินจงกรมมีความสุขเขไม่ต้องไปเดินอย่างเขาเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขน้อมใจนะใช้ใจที่สบายๆตัวนี้เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับอันที่หนึ่งเลือกอารมณ์ที่มีความสุข เคร็ดลับอันที่สองใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะใจของเราจะต้องไม่เคร่งเครียดนะจะให้จิตสงบเนี่ยล้วไปบังคับใจเครียดเลยเมื่อไหร่จะสงบสัทีวะนะใจเครียดอยนี้ไม่สงบใจต้องสบายทำใจสบายสบายทำเป็นไหมไม่ต้องสบายใจเคยขนาด น, นี้อย่างนี้สติอ่อนไปนะทำใจสบายก็อย่าเคร่งเครียดอย่าโลภ อย่าอยากให้จิตสงบอย่าอยากให้จิตดีอย่าอยากให้จิตตั้งมั่นใจอยากในะใจมันจะดิ้นไปดิ้นมาทําใจสบายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องใจกล้าขนาดนี้เลยสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ขอให้ได้ปฏิบัติแค่นี้พอใจแล้วนี้มีใจที่สบายสบายไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขตอนที่รู้เนี่ยรู้แบบสบายสบาย เวลารู้อารมณ์นะรู้สบายสบายเนี่ยเหมือนเรามีจิตแต่สติไปแตะแต่แต่แตงี้นะอย่าไปจับอารมณ์อย่างนี้นะอย่างถ้าจับลมหายใจแล้วก็จับลมไม่นั่นเลยอย่างนี้อึดนกักไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดยังั้นเราเลือกอารมณ์ก่อนหรือเราชอบไปขวดเนี้ยนะดูเราชอบชอบนะใช้ขวดนี้ทําสมถะได้ไหม ดูขวดนี้ทําได้ไหมหรือต้องดูเทียนต้องจุดไฟไม่จําเป็นสมนถะกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้แต่อย่าเป็นอารมณ์ที่ชั่วก็แล้วกันเช่นด่าเพื่อนบ้านแล้วมีความสุขอย่างนี้ไม่สงบแน่นะเดี๋ยวก็หัวแตกอนะารมณ์อะไรก็ได้น่ะชอบไขวดนี้สีสวยดีนะดูมันยังมีความสุขใจก็มีความสุขนะไปรู้มันรู้มันอย่างสบายๆไม่รู้แบบเคร่งเครียด แค่นี้แป๊บเดียวจะสงบแล้วมันสงบด้วยเหตุผลอะไรจิตเนี่ยมันเหมือนเด็กจิตมันเหมือนเด็กเคยเป็นเด็กใช่ไหมจําได้ไหมเด็กมันต้องสนใช่ไหมเวลาเด็กมันสนมันวิ่งออกไปนอกบ้านไปเล่นกับเพื่อนไปกระโดดน้ำตีน้ำแรงๆน้ำโขงน้ํายังกล้าโดดเลยเราผู้ใหญ่ไม่กล้าโดดเด็กมันกล้าโดดเนี่ยมันสนออกไปนอกบ้าน เราจะทําให้เด็กอยู่ในบ้านจะใช้วิธีไหนมีหลายวิธีเอาโซ่ไปมัดมันไว้เอาเชือกไปผูกมันไว้ล่ามมันไว้ไม่ให้มันออกนอกบ้านทําได้ไหมทําได้แต่เด็กไม่มีความสุขนะเด็กจะหงุดหงิดหงุดหนิดนะยิ่งอารมณ์ร้ายใหญ่ก็ใช้อารมณ์ที่เด็กชอบนะอย่างเด็กคนเนี้มันชอบกินขนมหาขนมมาไว้ที่บ้านเด็กมันก็เฝ้าจานขนมอยู่ไม่ยอมหนีไปไหนนะ จิตก็เหมือนกันถ้ามันชอบอารมณ์อะไรนะเอาอารมณ์นั้นมาล่อมันมันจะได้ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นนะจิตมันเหมือนเด็กนะต้องค่อยๆตัล่ อ, ลอมอย่าไปโหดร้ายกับมันเอาไม้มาถึงก็ฟาดเอาฟาดเอานะตีเด็กเด็กก็ยิ่งดื้อใหญ่จิตนี้ก็เหมือนกันอยู่ๆก็บังคับเอาบังคับเอานะจิตไม่มีความสุขไม่สงบหรอกหานะอารมณ์ที่จิตชอบมาล่อมันนะจิตก็สบายใจอยู่ในอารมณ์มันนี้จิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่น เหมือนเด็กเราขนมมาล่อมันชอบกินขนมเอาขนมมาล่อมันชอบดูโทรทัศน์เปิดให้มันดูอะไรเงี้ยเด็กมันก็ไม่หนีไปสนนอกบ้านมันอยู่ในอารมณ์เดียวมันกินขนมแล้วมันทําอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยวิธีที่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หนีไปเที่ยวนะก็ใช้หลักเดียวกับที่เราดูแลเด็กนี่แหละหาอารมณ์ที่ชอบใจมันล่อมันะพอเข้าใจไหมแล้วเวลาจะทําความสงบ อย่าตั้งใจว่าต้องสงบนะอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ตั้งชั่วโมงไม่สงบแล้วงุญหญนหงิดเนี่ยยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังผลจะเอาความสุขความสงบนะนี่คือสมาธิที่หนึ่ง เอาไว้ใช้ประโยชน์เวลาที่เราเดินมิปัสสนาแล้วเหน็ดเหนื่อยเราจะกลับมาอยู่กับสมาธิชนิดที่หนึ่งนี้นี้สมาธิสําคัญสมาธิที่สองถ้าไม่รู้สมาธิชนิดนี้ทํามิปัสสนาไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันสมาธิอันที่สองจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เยอะแยะเลย อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อารมณ์อยู่นิ่งจิตอยู่นิ่งแต่จิตน่ะนิ่งแต่อารมณ์เคลื่อนไหวนะวิธีฝึกนะวิธีฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำเต็มรูปแบบเลยนะต้องเข้าฌานให้ไดนะ้ต้องทำไปจนถึงทุติยฌานฌานที่สอง ละวิตกละวิจารณไดนะ้อย่างสูงขึ้ว่าเราอย่าทฌานด้วยอานาปนานสติอันนี้พวกเราฟังเล่นๆไว้นนะระดับความรู้ไว้เรเรียนแล้วก็เรียนให้ครบๆไปใหล้วเดียวหลวงพ่อจะบอกวิธีที่พวกเราทําได้จริงๆวิธีที่หนึ่งในกา ร, รที่จะทําให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยนะเป็นวิธีของคนที่เล่นสมาธิจริงๆเล่นฌานเนะีย่ยคารวาสทายากนะพระทําง่ายกว่า วิธีเช่นเราก็ต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้ถึงฌานได้อย่างลมหายใจเนี่ยทำให้ถึงฌานได้เริ่มต้นเราก็เห็นร่างกายหายใจนะหายใจเห็นร่างกายหายใจสบายๆเวลาเราหายใจสบายๆลมหายใจจะยาวนะจะหายใจยาวๆนะแล้วพอจิตใกล้จะสงบเนี่ยลมมันจะสั้นลงสั้นลงลมจะค่อยตื้นตื้นตื้นต้ น, ตนขึ้นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ย ลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตอันนี้ฟังเล่นๆนะต้องจําหรอกลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตเสร็จแล้วพอหยุดอยู่ที่ปลายจมูกแล้วเนี่ยลมหายใจมันจะระงับไปมันเหมือนไม่หายใจนะมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาแทนดวงสว่างเนี่ยเรียกว่าอุกหานิมิตเวลาที่เราอยู่กับดวงสว่างเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆนะไม่สนใจลมหายใจแล้วมันจะหายใจหรือไม่หายใจเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเราเราไม่สนใจร่างกายแล้วนะ สนใจแต่ไอ้ความสว่างเนี้ยนะจิตมันจับเข้าไปที่ความสว่างนะเรียกว่ามันตรึกมันมีวิตกมันเคล้าเคลียอยู่กับความสว่างเรียกว่าวิจารณนี่พอมันเล่นอยู่ตรงนี้นะจนชำนิชำนาญเนี้ยมันมันจะเล่นกับแสงได้กําหนดจิตนะให้แสงสว่างกว้างขวา ง, วา ง, วางไปเต็มโลกธาตุเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ก็ทําได้นะหรือจะยอ่อแสงลงมาให้เล็กลงเล็กเท่าปลายเข็มเลย เวลาแสงมันเล็กเหลือเท่าปลายเข็มเนี่ยแสงมันจะเข้มมากเลยเข้มแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะเข้มจัดๆเลยแบบสุดขีดเลยในจุดเล็กๆเนี่ยตัวนี้พลังงานมันมากนะที่จะเล่นพลังงานอะไรกันก็เล่นกันตรงนี้ย่อได้ขยายได้จิตมันเพลิดเพลินมันจับอยู่กับแสงมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงแล้วมีวิโต๊พิจารมันจะมีปีติมันชอบอกชอบใจในแสงนี้ขึ้นมามีความสุข มีความเป็นหนึ่งคือไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตอยู่กับแสงสว่างเนี่ยจิตก็เข้าปฐมฌานนี่พอจิตอยู่ในปฐมฌานแล้วเนี่ยก็พัฒนาจิตต่อไปอีกเราเห็นว่าขณะนี้จิตจับอยู่ที่แสงจิตตรึกอยู่ที่แสงจิตเข้าเคลียอยู่ที่แสงมีวิตกอยู่ที่แสงมีวิจารณ์อยู่ที่แสงตรงนี้เป็นภาระของจิตจิตยังต้องทํางานออกไปดูแสงอีกจิตมันวางวิตกวิจารณ์ลงไปมันทวนกระแสเข้ามาเรียกว่ามันวางอารมณ์ ที่เป็นแสงสว่างนี้เป็นอารมณ์ของจิตละจิตวางอารมณ์นะมันทวนกระแสะเข้าหาตัวผู้รู้เพราะฉะนั้นะในฌานที่สองเนี่ยในพระเจ้ปิฎกจะพูดถึงคําไว้คำหนึ่งคําว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะคือสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองนะถ้าเราเรียนแต่ปริยัตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอโกทิภาวะเป็นยังไงในตําราก็ชอบแปล ว, ว่าเอโกทิภาวะคือสมถีนะ สมาธิมันเป็นเอกคตาเจตสิกมันมีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล้วทำไมมันจะโผล่มันอยู่ในทุติยฌานนี่อีที่แท้มันคือตัวจิตผู้รู้ทำไมตัวจิตผู้รู้ถึงเกิดขึ้นในฌานที่สองเพราะมันล้าวิตกลาวิจารณ์มันละการจับตัวอารมณ์แล้วมันวางอารมณ์นะมันทวนเข้ามาที่ตัวเองตั้งแต่ฌานที่สองถึงฌานที่แปดเนี่ยจิตเป็นผู้รู้แล้วแล้วถ้าเราเข้าฌานได้ลึกลงไปลึกลงไปนะจนร่างกายหาย โลกธาตุหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะตัวนี้เราเข้าถึงอรูปฌปานถ้าเราถอยออกจากอารูปฌปานมาเนี่ยขันเราจะแยกอันตโนมัติตลอดชีวิตลนะเราจะเห็นในกายส่วนกายจิตส่วนจิตเพราะมันเคยเห็นสภาวะที่ร่างกายดับไปแล้วนะอันนี้ให้ฟังไว้เล่นๆ น, นะเพราะเราคงทำลาบากหน่อยคาวาเนี่ยถ้าเข้าชาญถึงอรูปแนละ้วเนี่ยขันมันแยกอันตโนมัติ นะถ้าเข้าฌานรูปฌปานที่สองลาวิตโตวิจารณได้จะได้จิตผู้รู้สิ่งที่เราต้องการคือตัวจิตผู้รู้นี่แหละจิตที่ทรงสมาธินี่แหลนะเราจะเอาไว้ใช้เดินปัญญาถ้าเราเข้าฌานได้จิตตัวผู้รู้มาแล้วเนี่ยตัวผู้รู้นี้จะมีกําลังเข้มแข็งแต่เข้มแข็งยังไงอยู่ไม่เกินเจดวนนะันนี้เป็นประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์สืบทอดมา เราทรงฌานนี่แหละกำลังของสมาธิอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันงั้นท่านก็จะเข้ากันทุกวันนะเหมือนชาร์จแบตทุกวันนี่วิธีที่หนึ่งที่จะได้จิตผู้รู้นะด้วยการเข้าฌานหรือพวกเราทํายากวิธีที่สองที่จะได้จิตผู้รู้อันนี้ง่ายมากเลยพวกเราก็ทําเป็นนะหลวงพ่อนะเมื่อก่อนมีหมาตัวหนึ่งนะไม่ได้ดูถูกพวกเราเนาะจะบอกว่าหม้ายังเป็นเลยนะ หลวพ่อมีหมาตัวหนึ่งนะมันเคยสร้างความดีมาเยอะแต่ตอนตายมันพลาดไปเกิดเป็นหมาตอนหมาตัวนี้กําลังจะตายนะมันตายด้วยความรู้สึกตัวจิตมันเป็นคนดูนะดูอะไรดูร่างกายหายใจขแมวขแมวกําลังจะตายแล้วมันตายตอนนั้นเลยมันไม่ธรรมดานะงั้นพวกเราอย่างเห็นสัตว์เดรัจฉานเะราจะไปดูถูกเขานะเขาอาจจะบารมีเยอะก็ได้แต่พ่อพลาดพลัง้งพระโพธิสัตว์ยังเกิดเป็นสัตว์เลยนะ เพราเราสงสารสัตว์นะเมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายเขาเนี่ยเราเ็วิธีฝึกที่จะให้ได้จิตผู้รู้สำหรับคนที่ไม่ได้ชานให้เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปเพราะจิตหลงกับจิตรู้มันเป็นด้านตรงข้ามกันเหมือนเหรียญเหรียญแต่ละเหรียญเหรียญสตังเนี่ยแต่ละเหรียญมันมีสองด้านใช่ไหมมี ถ้าเมืองไทยเรียกด้านหัวด้านก้อยเมืองลาวเรียกอะไรหลวงพ่อไม่รู้เนาะมีไหม <c oughs> เดี๋ยว ม, มัมีสองด้านมีสองด้านนี้เวลาที่เราจะพรวนานะเราอย่ามุ่งไปทำว่าทำยังไงจะทำถูกทำยังไงจะรักษาจิตให้เป็นผู้รู้ได้ตลอดเวลาทำยังไงจะถูก ถ้าอยากทำให้ถูกเมื่อไหร่จะผิดเมื่อ น, นั้นเพราะในขณะที่อยากทำให้ถูกขณะนั้นมีโลภะจิตมีกิเลสยังไงก็ผิดแล้วทำยังไงจะถูกเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อ น, นั้นถูกใช่ไหมเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อ น, นั้นถูกไหมหรือเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ผิดอีกเมื่อไร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเวลาจิตมันหลงไปเนี่ยจิตมันหลงไปมันมีโมหะมันฟุ้งซ่าน จิตมันผิดไปแล้วล่ะมันไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วเป็นจิตผู้หลงเราใช้วิธีรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทันทีที่รู้ทัน การเคลื่อนจะดับอันตโนมัติเพราะจิตเคลื่อนเนี่งเคลื่อนด้วยอํานาจของอุทัด จ, จ่ะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสโมหะนี้พอเรามีสติรู้ว่าจิตเคลื่อนโมหะจะดับทันทีเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนะงั้นเรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนปุ๊บโมหะดับทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอันตโนมัติเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตก็ตั้งมั่นสินะเห็นไหมว่าง่ายแค่ไม่ทําผิดก็ถูกแล้ว แต่ว่ามันทําผิดมาตั้งแต่เกิดเนาะมันชินที่จะผิดโอกาสที่จะรู้ทันว่ามันผิดเนี่ยต้องฝึกเอาวิธีฝึกให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะวิธีฝึกฟังให้ดีนะแล้วฝากให้เอาไปทำด้วยนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์มนั้นนะ สมาธิแบบแรกเราน้อมจิตจิตเป็นหนึ่งไปอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้ไว้นอนพักไว้พักผ่อนนะสมาธิที่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนไปที่กติกน้ํารู้ทันมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเคลื่อนไปที่ขวดนี้รู้ทันมันก็ตั้งมั่นนะเคลื่อนไปที่ดอกไม้รู้ทันก็ตั้งมั่นเคลื่อนไปคิดรู้ทันมันก็ตั้งมั่น เพรา้นถาเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะจิตจะตั้งมั่นแต่การที่จะสังเกต จ, จิตวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ๆจะไปดูมันตรงๆเนี่ยดูยากเั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วรู้อารมณ์ให้จิตไปอยู่กับอารมณ์แต่นี้เป็นการทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตัวเองอย่างเราอยู่กับพุทโธเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี้ยพุทโธพุทโธอยู่ด้วยกันเนี้ยนะพอจิตมันขาดสติมันจะหนี อยากพุทโธหนีไปที่อื่นมันลืมพุทโธแล้วนี่เราพุทโธจนชินนะพอมันหนีไปที่อื่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะนึกได้เฮ้ยลืมพุทโธแล้วว่ะนะอย่างนี้มันพอรู้ว่าลืมพุทโธก็กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่หรืออยู่กับลมหายใจสมมตินี้เป็นลมหายใจจิตอยู่กับลมเนี้ยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอเผลอมันจะหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันว่ามันหนีไปพอรู้ทันว่ามันหนีไปนะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นนะ เน้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนี่จิตหลงได้หกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนทีละหกช่องมันเรียนยากเรียนมันช่องเดียวก็พอคือช่องใจทำไมเรื่องเอาช่องใจเพราะการหลงทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดการหลงทางใจส่วนใหญ่คือการหลงไปคิดรู้สึกไหมวันหนึ่งเราคิดตั้งกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่อง ไม่ต้องวันหนึ่งอะนะนาทีน่อย่งน้คิดตั้งหลายเรื่องเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตมันหลงคิดทั้งวันเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับไปแล้วมันก็ฝันต่อก็คือหลงคิดอีกนั่นแหละนะมันเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราพุโทโธพุโทโธไปพอจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะผู้รู้ก็จะเกิดขึ้น แต่มันเกิดขึ้นสั้นๆชั่วขณะเดียวมันเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินี่เองนะพระอรหันต์ที่ทรงฌานนั้นเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่าท่านมีสมาธิเป็นขณนะขณะขณะเวลามีสมาธิรู้สึกตัวเป็นขณะแต่ขณะนี้เกิดบ่อยๆหลงปุ๊บรู้ปับ๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บอย่างนี้นะ มันจะเหมือนรู้ตัวได้ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกเหมือนรู้ตัวตลอดเวลาเหมือนเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสว่างคงที่อยู่ที่จริงแล้วไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาวินาทีหนึ่งตั้งหลายสิครั้งนะแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกมันสว่างคงที่อยู่อย่างเงี้ยจิตนี้ก็เหมือนกันถ้ามันรู้ตัวได้ถี่ีนะมันจะเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเนี้ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูตลอดเลย อัตโนมัติอยู่อย่างนี้เราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเราก็จะรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปนะบางทีจิตไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ต้องรู้ทันด้วยนะจิตที่ไหลไปแช่อยู่กับรมเนี้ยจิตเคลื่อนที่เหมือนกันอย่างเรารู้ลมหายใจเงี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมันไหลไปนะให้รู้ว่ามันไหลไปอยู่ที่ลมจิตมันจะตั้งมั่น หายใจอยู่จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมัน่นะในความเป็นจริงนะถ้าพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยเมื่อไรรู้สภาวะธรรมไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะตัวผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติแต่ว่าสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดคือสภาวะที่จิตไหลไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุด งั้นเราเอาของที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานเราจะได้เรียนรู้ได้เร็วเมื่อก่อนนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์ในเมืองไทยเนี่ยมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนติดแบบวัตถุมากหลวงพ่อสอนบอกว่าพุโทโธไปเขาก็ถามหลวงพ่อเลยผมไม่ใช้พุโทโธได้ไหมบอกได้แล้วจะใช้อะไรอะ่ะผมจะดูว่าถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัว หลวงพ่อเขาชัดเง่าวนะฟ้าร้องปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้งนะปีหนึ่งเองจะรู้สึกตัวสักกี่ครั้งเนะนี่ยที่ทำไมพระพุทธเจ้าให้ใช้อารมณ์อย่างหายใจออกหายใจเข้าใหายใจทั้งวันใช่ไหมถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกทั้งวันนะหายใจแล้วจิตหนีไปรู้ว่าจิตหนีไปสมาธิก็เกิดเมื่จิตมันหนีทั้งวันเนี่ยจิตหนีปุ๊บรู้ปั๊บ หนีปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยนะจิตผู้รู้มก็เกิดทั้งวันถ้าไปเอาอารมณ์พิลึกพิลั่นนะหนาๆนนจะเกิดสักทีหนึ่งนะถ้ามียนอกใจแล้วจะรู้สึกตัวไม่ได้กินหรอกอย่างนั้นมันไม่นอกใจสักทีนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้ในสติปัฏฐานพวกเราไปดูเถอะมันคืออารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาหายใจออกก็บหายใจเข้าเกิดทั้งวันไหมยืนเดินนั่งนอนมีทั้งวันไหม เคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีทั้งวันไหมสุขทุกข์เฉยเฉยมีทั้งวันไหมนะมีกิเลสไม่มีกิเลสเกิดทั้งวันเลยนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้ในสติปัฏฐานเนี่ยเกิดทั้งวันนะนี่เราค่อยรู้อย่างเราน้อมจิตอยู่ในอารมณ์เรารู้สึกนะแล้วถ้าจิตมันจมลงไปถลําลงไปจ้องอารมณ์นะรู้ลงไปงดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินโจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทัน ขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือให้รู้ทันนะตัวนี้จิตไหลเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะั้คอยรู้ทันไวนะ้ถ้ารู้ตัวนี้ได้บ่อยๆพอจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะสมาธิจะทรงอยู่ทั้งวันเลยหลวงพ่อนะไปเรียนกับครูบาอาจารย์บางองนะครูบาอาจารย์ท่านทรงฤทธิ์ทรงอภินยาอยู่ท่านเห็นหน้าเราท่านก็รู้แล้วเราพรวนาอย่างไรแค่ไหน หลวงปูสิมนะี่ยอยู่ถ้าผาปล่องที่เชียงใหม่อหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผูร้รู้คนก็มาถามเลยว่ารู้อะไรรู้หวยหรือเปล่าะถ้ารู้หวยนะจะนับถือมากเลยบอกไม่ใช่รู้หวยนะรู้รู้ตัวเองไม่เผลอไม่ลืมตัวอย่างนี้ไม่น่าสนใจแล้วไม่ขลังถ้ารู้หวยถึงจะขลังคนลาวมีเล่นหวยไหมมีเหรอคนไทยนี่เก่งมากเลย วันที่หวยออกนะเป็นวันที่ซื้อบะมีสสำเร็จรูปมาตุนไว้เลยไม่มีอะไรจะกินแล้วหลงหลงไม่ดีนะ ถ, ถ้าเล่นก็เลิกซะเถอะไม่รวยหรอกนะคอยรู้ทันนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกแค่นี้แหละง่ายที่สดุดที่จริงโกรธเรารู้ผู้รู้ก็เกิดนะรอบเรารู้ผู้รู้ก็เกิดมีความสุขเรารู้ผู้รู้ก็เกิด แต่สิ่งเหล่านั้นมันมีน้อยจิตที่หลงเนะี่ยมีบ่อยที่สุดเพราะะั้นฝึกตัวนี้ไว้นะนี้หลวงพ่อแถมให้แถมจะถึงขั้นต่อยอดระหว่างเรามีสตินะมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีสติเราจะเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาที่ง่ายที่สุดเลยนะเมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกแล้วว่า อกุศลกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเรียนรู้เข้ามาที่จิตตัวเองเลยไม่ต้องอมคอมแต่บางคนดูจิตตรงๆไม่ได้เขาไปดูกายมาก่อนบางคนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ไปทําสมถะไว้ก่อนดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะแต่ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกซ้อมของเราอยู่ทุกวันแบ่งเวลาไว้สักยี่สิบนาทีสามสิบนาที นี่ถ้าคนไทยหลวงพ่อบอกส5้านาทีเองนะขอส5้านาทีให้นั่งสมาธิมีนยังไม่ค่อยจะยอมนั่งเลยนี่คนาลาวหลวงพ่อขอยี่สิบสามสิบนาทนีนี่ให้คะแนนสูงกว่านะขอยี่สิบสามสิบนาทีทุกวันนั่งหายใจไปพุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตหนีไปหาเรื่องอื่นก็รู้เนี่รู้อย่างนี้เรื่อยๆไปในสุดจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมา ทุกวันที่ซ้อมไปอย่างนี้นะจิตมันจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเรามาใช้ชีวิตอยู่กับโลกข้างนอกนี้แหละเวลาตาเรามองเห็นจิตมันจะวิ่งไปทางตาเวลาหูได้ยินเสียงจิตมันวิ่งไปทางหูเวลาจมูกได้กลิ่นจิตมันวิ่งไปที่ทางรูจมูกนะเวลาลิ้นกระทบรสจิตไปอยู่ที่ลิ้นต่อมรับรสที่ลิ้นเวลากายกระทบความรู้สึกเนี่ยจิตก็วิ่งยงกัดที่มือจิตก็วิ่งไปตรงมือนะ จิตมันจะ ว, วิ่งไปวิ่งมาหรืออยู่เฉยๆจิตวิ่งไปคิดอ่างเงี้ยคอยรู้ทันเวลาทาำกรรมฐานจิตไหลไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็คอยรู้ทันอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละหกช่องทางรู้อยู่ที่จิตดวงเดียวไม่ต้องสนใจว่ารูปที่เห็นคืออะไรเสียงที่ได้ยินดีไม่ดีอะไรเงี้ยไม่จาเป็นขอให้รู้ทันจิตเท่า น, นั้นเองเห็นสาวเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบนะ เห็นหนุ่มเดินมามันหลอกว่าเราเกลียดขี้หน้ามันนะอิจฉามันรู้ว่าอิจฉาเนี่ยดูที่ใจอย่างเดียวเลยนะความรู้สึกอะไรเกิดทางตาหูจมูกลิ้นก of, ายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกมาเกิดที่ใจเนะี่ยรู้อยู่ที่ความรู้สึกในใจเนะี่ยเราจะเห็นว่าความรู้สึกในใจเนะี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ป ล, ปลงอยู่ตลอดวันนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไป ตัวนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่การเจริญปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกุศลอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนี่คือการเจริญปัญญานะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามารูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเกิดดับทั้งสิ้นดูที่ตัวรูปธรรมนามธรรมานะในขั้นเดินปัญญาส่วนในขั้นสมถนะนี่ใช้ได้หมดเลยใช้ อารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดก็ได้เพ่งร่างกายก็ได้เพ่งจิตใจก็ได้นะืดยจะดูนิพพานก็ได้แต่คนที่จะดูนิพพานได้ต้องเป็นพระรยะบุคคลนะจะใช้พระสมบัติใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะพวกเราคงไม่ต้องเรียนนะตอนนี้ยังยังอีกห่างอยู่พอไหวไหมสรุปที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่เมื่อวานนะ โลภงสอนการฝึกจิตตัวเองแต่ก่อนจะฝึกจิตต้องมีเงื่อนไขมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องซะก่อนอย่าไปหลงคิดอะไรตามใจกิเลสไปเรื่อยๆหลงคิดตามใจโลภะก็เรียกว่ากามวิตกหลงคิดตามโทสะก็เรียกพยาบาทวิตกหลงคิดตามโมหะเรียกวิหิงสาวิตก เนี่ยเราเราจะคอยรู้กายคอยรู้ใจการที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเส้นทางปฏิบัติอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัตนะเรารู้แล้วเราต้องเรียนรู้รูปนามกายใจของตัวเองให้เห็นจรักนะแล้วตอนที่เริ่มพัฒนาตัวเองนะระวังความคิดนะอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเราแล้วคิดไปชั่วๆตามที่กิเลสพาคิดพอความคิดของเราดีแล้วคำพูดของเราก็จะดี มีสัมมาสังค ป, ปะก็จะเกิดสัมมาวาจาร์คำพูดก็จะดีพอคิดดีพูดดีการกระทําของเราก็จะดีคิดดีพูดดีทดําดีการดํารงชีวิตการทํามาหากินคือสัมมาชีวะของเราก็จะดีนะเราชีวิตมีสัมมาชีวะแล้วชีวิตราบรื่นไม่โลดโผนะวุ่นวายถ้าเป็นผู้ร้ายมิชฌาาชีวะเนี่ยไม่มีทางสงบสุข ถ้าเรามีสามารถชีวะนะเลี้ยงตัวเองได้พออยู่พอกินพอเพียงนะชีวิตเราสงบสุขนะเราก็รู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่หาความสุขในโลกเป้าหมายในชีวิตเราที่อุสตส่าห์เกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยคือต้องลดละกิเลสนะเจริญกุศลให้ถึงพร้อมตัวนี้คือสัมมาวยายมะจ ะ, จะเจริญกุศลให้ถึงพร้อมนะต้องมีสติเป็นเครื่องมือ มีสติไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาสติที่บริบูรณ์นะจะทำให้สมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยเนี่องมรักษ์ทั้งแปดเนี่ยจะเรียงร้อยอย่างงดงามนะอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราดูไม่ออกอะ่ะเรารู้สึกมาักษ์มีองค์แมันจะทำยังไงว่าตั้ง8ดข้อหรืออริยสัจมีสนะี่ แต่และข้อก็มีกิจที่ต้องทำเฉพาะของตัวเองทุก์คือรูปนามกายใจให้รู้สมุทัยคือตัณหาให้ละนิโรธต้องทำให้แจ้งนิโรธคือตัวนิพพานทำให้แจ้งมรคคืออริยมรคนะทำให้เจริญตั้งสี่อย่างนี่ยจะทายัางไงงานสี่อย่างนีถ้าเรารู้ทุกจริงๆนะมันจะละสมุทัยเองนะแจ้งนิโรธเองเกิดอริยมรคเอง งั้นจุดสำคัญอยู่ที่การรู้รูปนำกายใจของเรานี่เองนะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นศาสเฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่มีในคำสอนของศาสดาอื่นๆนะศาสดาอื่นสอนให้ทำทานให้มีศีลอะไรเนี่ยเขามีนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิแบบโลกโลกสมาธิอย่างฤๅษีชีพไรเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่น เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิที่มีในเฉพาะพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีถ้าคนอื่นเขามีสมาธิอย่างนี้เขาจะเกิดอริยมรรคได้แต่เขาเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่คือทั้งหมดนี่คืออริยสัจสี่คือมรรคมีองค์แ ไหนๆเจอกันทั้งทีแล้วก็เรียนของสูงๆไปเลยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจทำยังไงไม่เข้าใจเบืองนี้มียู u ูบไหมมีไหมไปดู youtube นะแต่ youtube ที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ youtube ฟังหมอลำฟังอะไรงั้นเน y ะ u t u b e ที่หลวงพ่อเทศดูไปเรื่อยๆแหละแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ภาวนาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะ เต็มบ้านเต็มเมืองเยอะแยะเลยต่างประเทศก็มีนะเวลาหลวงพ่อนั่งรถไปหรือไปที่นัน่นไปที่นี่หลวงพ่ออยู่บนรถในี่ยหลพ่อเห็นคนเดินข้างถนนเนียหลวงพ่อรู้เลยนะว่าฝั่งซีดีหลวงพ่อหรือเปล่าดู youtube หรือเปล่านะเพราะหน้าตารู้สึกหลวงพ่อไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเหมือนมนุษย์นะเหมือนมนุษย์แหละแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนคนปกติหรอกคนปกติหน้าตามันจะเยิม้มเยิมไปด้วยกิเลส พวกเราที่หัดกับหลวงพ่อเนี่ยไม่จะรู้เนื้อรู้ตัวถ้าไปส่องกระจกนะจะเห็นเลงว่าหน้าเราจะไม่เหมือนเดิมหน้าเราจะไม่หงิกหงิก่อยง่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอกนะแต่หน้าตาเราจะรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นนะด้วยความรู้สึกตัวเมื่อก่อนมีพวกนางแบบพวกดาราอะไรนี้นะเขาเคยให้สัมภาษณ์นะหลวงพ่อเคยเห็นคนเอามาให้ดู เขาถามว่าทำยังไงถึงจะสวยคนหนึ่งก็ตอบไปใช้แป้งอย่างนี้ใช้รองพื้นนี่ใช้นูน้นทีนี้มีอยู่คนหนึ่งพิศดาลฟังซีดีหลวงพ่อประโมทฟังซีดีหลวงพ่อแล้วสวยจริงๆนะไม่ใช่แกล้งหลอกนะแล้วพยายามฝึกทุกวันทุกวันเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินในชีวิตเราจะช่วยตัวเองได้นในทีมที่มากับหลวงพ่อก็มีชอบขับรถเร็วนะนี่ใส่ใจร้อนผู้หญิงนะ ชอบขับรถเร็วรถคว่าํารถหมุนอะไรเงี้ยสติมนอัตโนมัตินะสมาธิมัอัตโนมัติ ม, ต ม, ต ม, ตมันดีด ต, ตัวเองเออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้กําลังหมุนไปตามรถจิตเป็นคนดูอยู่หัวกําลังจะโขกฝาข้างนี้ก็ขยับหลบไปหลบมาไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าเรือบินตกมันก็เกินไปนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ารถชนเล็ก <c oughs> ๆน้อยๆอะไรย่างเงี้ยหรือเวลาหกล้มเวลาหกล้มสติเราเร็วนะ เราเห็นในร่างกายเรากระเด็นขึ้นมาเนะเท้าหลุดจากพื้นทั้งสองข้างแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นช็อตๆเลยนะปุ๊บปๆ๊บป๊ป๊ป๊เนี่ยมันจะลงได้อย่างดีเลยนะไม่ค่อยเป็นอันตรายหรอกงั้นฝึกไว้นะแล้ววันสุดท้ายของชีวิตเราอย่าต้องระจนสงครามใหญ่ตอนที่เราจะตายเนี่ยชาติต่อไปจะดีหรือเลวอยู่ที่ขณะสุดท้ายนี่แหละมีสติไว้นะ เห็นร่างกายมันป่วยนะใจทุรนทุรายรู้ทันใจจะสงบแนละ้ก็ดูร่างกายมันจะตายหายใจเขมลแขมลนะใจเราเป็นคนดูเราจะไม่เกี่ยวข้องเลยใจเราจะไม่ทุกขนะ์เราจะตายอย่างสง่างามนะงดงามตายด้วยความกระหายตายแล้วไปสุขติเพราะเราตายด้วยสติตลอดสายเลยนะฝึกไว้นะสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ย ใช้ได้ตั้งแต่ปัจจุบันมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนะมีความสุขในอนาคตนะแล้วก็สามารถทำที่สุดคือฟานนิพพานได้เนะันสิ่งที่เราเรียนในสองวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอกนะคือใจความทั้งหมดของพระพรุทธศาสนาเลยนะชั่วโมงพอดีปีนี้หลวงพ่อก็แก่ไปเยอะแล้วลวนะแต่ก่อนแข็งแรงกว่านี้ยอ เมื่อปีห้าเก้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปให้คีโมเหมืนเลยสุดโทรมไปเยอะนะแต่ตอนนี้หายแล้วนะหายแลนะไม่ต้องห่วงหรอกห่วงตัวเองเถอะเดี๋ยวช่วงเย็นหนูพ่อสอนอีกรอบช่วงเย็นจะไปการให้พวกเราส่งกันบ้านนะรายงานการปฏิบัติ ที่ได้ทำมาแล้วให้หลวงพ่อดูให้ว่าโอเคไหมถูกหรือผิดถ้าถูกแล้วทำยังไงจะดีวันนี้ถ้าผิดจะแก้อย่างไรจะพัฒนายังไงแล้วก็ถ้าเราไม่มีโอกาสถามหลวงพ่อดู YouTube นะมีทุกเรื่องนะอ่ะเพราะที่พวกเราถามมา็ซนะ้สาไปซ้สัมมาไม่ใช่สัไปซ้สัมมาเนาะสัมป اي สัมมาเอาละพอสมควรแก่เวลานะ เียวหลพ่อต้องสนทนาธรรมกับพระ